ทั้งหมดอึ้งมองตากันเองอีกครั้งอนุชาผู้สนิทใกล้ชิดกระนานอินมากที่สุดทำมือเป็นสัญญาณยังไม่ให้ใครพูดอะไรขึ้นก่อนทั้งสิ้นโดยขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาที่จะเจราจากระบ่าวร่วมตายในอดีตก่อนและโดยยังไม่พูดคำใดอดีตนายชดประชากรตบไหลของพรานไพราอาวุโสคู่ชีพเก่าแก่ของเขาโดยแรงพร้อมกับยิ้มพายกางแขนทั้งสอง กว้างออกนานอินยิ้มรา่าอาแขนกว้างออกเช่นกันแล้วทั้งสองก็กอดกันอย่างสนิทแน่นที่สุดนายชดเสียงแกอุทานดังขึ้นพร้อมกับหัวร่อราไม่มีอะไรที่จะมาทําให้นานอินมีความสุขเหมือนได้พบเห็นและกอดนายไว้อย่างนี้อีกแล้วรอดตายมาได้ด้วยกันครั้งนั้น พอจากกันครั้งสุดท้ายก็ไม่คิดจะได้เห็นอีกแล้วเป็นบุญจริงๆนานอินภาวนาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ทุกวันว่าชาตินี้ก่อนตายก็ขอได้พบนายอีกสักครั้งเหอะก็ได้พบจริงๆลุงอินฉันก็ไม่เคยลืมลงุงและเหตุการณ์ที่เราร่วมเป็นร่วมตายกันมาตลอดทั้งชีวิตนี้เราเป็นเพื่อนร่วมทุกญ์าตกันมานานแสนนาน ไม่ว่าจะแยกจากกันไปสารทิศไหนฉันก็ยังคิดถึงลุงเสมอและเมื่อฉันคิดถึงลุงลุงก็มาแล้วจะโดยอะไรโดนใจก็ตามทีเถอะแต่ฉันแน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากดวงจิตของเราทั้งสองที่ส่งถึงกันได้ลุงถามถึงแมมมาเรียเมียของนายทหารชั ย, ยันเขาเพิ่งคลอดลูกเมื่อคืนวานนี่เองเป็นลูกผู้ชายตอนนี้นะ่ยังต้องนอนอยู่บนเตียง นี่ทำไมติดเรื่องลูกอ่อนเพื่องคลอดนะ น, นะลุง ก, ก็จะได้เห็นแหม่มอยมู่ในหมู่ของพวกเรานี่ด้วยละออได้ลูกชายดีดีดีด <c oughs> แกครางออกมามองไปทางชายยันอย่างยินดีด้วยดีจริงจริงนายทหารนั้นอินดีใจด้วยส่วนนายรบพินน่ะเอฉันจะบอกกะลุงยังไงเดียนะอนุชาวราริธ กล่าวต่อไปยังหัวเราะให้เป็นเรื่องสนุกสนานขบขันอยู่เช่นนั้นตอนที่ลุงมาถึงหนองน้ําแห้งมาตะกี้นะพวกลูกบ้านไปรับกันเกลียวกล่าวพวกนั้นไม่ได้บอกอะไรกับลุงมั่งหรอกเลยนานอินสั่นหัวก็ไม่เห็นมันบอกอะไรเกี่ยวกับ น, นายระพินน่ะบอกแต่ว่าตอนนี้พวกเจ้านายมาอยู่ที่นี่กันเต็มไปหมดถามหาคําไอ้จันไอ้เกิดหรือไอ้เสยก็ไม่มีใครบอก เห็นอ่ำอ่ำอึ่งอกันอยู่ยังก็มีสากยัดปากไว้ช่วยกันล่าช่วยกันจูงนานินให้มาที่นี่โดยเร็วพอโผล่ขึ้นมาก็พบพวกเจ้านายนี่แหละอ่ะนหนลุงว่าที่ลุงตัดป่าตัดเขามาตั้งเจ็ดแปดวันนี่นะก็ตั้งใจจะมาหานายระพิงใช่ไหมล่ะ <S <S 1> <S 1> ชดประชากรในอดีตเริ่มตะล่อมเข้าหาจุดทุกคนเงียบ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคู่บา่าวนายร่วมตายในการก่อนที่จะเจรจากันเองก่อนก็ใช่อยากจะมาเยี่ยมนายรพินมาถามทุกสุขแล้วพรุ่งนี้ก็กะว่าจะชวนนายรพินไปเยี่ยมนายหัางอัพลกันแต่บุ้ยปากไปยังผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ออกนอกประเทศที่เคยมีความผูกพันกันมานานเอาละลง ก่อนที่ฉันจะบอกอะไรเกี่ยวกับนายรพินน์ขอให้ฉันถามอะไรลุงก่อนดีกว่าลุงบอกว่าลุงล่องมาจากตอนนินแต่ยีฝั่งพมา่านนนใช่ไหมใช่แล้วนายเออแล้วพบพวกชาวป่าพวกไหนเผ่าไหนแล้วก็ได้ข่าวอะไรบ้างไหมละ่ะข่าวอะไรละ่ะนายชดแกถามหน้าตื่นอย่างไม่รู้เรื่องและต่อไปว่าก็ไม่พบพวกไหนเลย นอกจากพวกมราร่าบีผีตองเหลืองหมู่นึงสักเจ็ดแปดคนเห็นจะได้นั่งคนหนึ่งกำลังจะออกลูกเจ็บท้องอยู่นานอินก็ช่วยทำคลอดให้ลูกมันตายแต่แม่มันรอดแล้วก็ไม่พบพวกไหนอีกเลยอนุชาจับแขนแกไวแน่นสีหน้ายัางยิ้มอย่างปลอดปลงใจอยู่เช่นนั้นนับตั้งแต่หน้านา น, านอินพลูขึ้นเรือนมา หลุสมมตินะลุงสมมุติว่าพวกเราจะออกบุกป่าฝาดงกันอีกไปอย่างสุดล่าฟ้าเขียวเลยแบบเดียวกับที่ไปบุกเทือกเขาพระศิวะในครั้งนั้นน่ะลุงจะไปกับพวกเราอีกไหม <c oughs> นายนายอ ย, ย่าพูดเล่นนี่พวกนายจะออกไปทำไมจะไปค้นหาขุมเพชรประอุมาอีกเลยไม่ได้พูดเล่นนะลุง นี่ฉันพูดจริงจริงอดีตนักเดินป่าระจญภัยตัวฉกาดผู้เคยมีฉายาปลอมๆทั้วนายชดพูดเน้นช้าชัดจริงแต่จริงแล้วก็จะมาถามหนานิ่นทำไมลรวไปติดคุกเมืองมารากรนครกันอีกสักครั้งก็ยังไหวถ้าหากไอ้แง่ท า, ายที่กลายเป็นจักรราษแล้วจะกลายเป็นกษัตริย์ขี้โกงเหมือนไอ้สิงหราไปหนานินอุ้มมันมนก็มือ เมื่อตอนนั้น่ะมันยังเล็กๆปตนคนขุดหลุมฝังศพแม่ของมันเอามันไปฝากไว้กับพระธุโดงไว้น้อยแนะ่มารู้เอายี่สิบกว่าปีให้หลังว่าไอเด็กที่เคยอุ้มบังจูงมันที่แท้ก็คือเจ้าชาแห่งมรกนครแม่พานีผววขบสมสานออกจากเมืองพอ ก, กลับไปเป็นใหญ่เป็นโตมันจะในรคุณหนานอินเพราะล่วงแดนมันอีกก็ให้มันรู้ไป ประโยคหลังๆแกพูดเท้าความในอดีตที่ยังจำได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งหัวเราะยังมีความสุขไปพลางปราศจากความหมายจริงจังอะไรนักอะงั้นดีละถ้างั้นพรุ่งนี้เราออกเดินทางไปด้วยกันอนุชาตบลงไปบนไหล่ของหนานอินโดยแรงอ้าวไปไหนล่ะนายชดเถืออพระศิวะมรกรณ์น่ะเหรอก็อาจจะต้องไปจนถึงที่นั่นนะ ท้รพินไฟวันไปถึงที่นั่นคำพูดชนิดนั้นของอนุชาวราฤทธิ์ทำเอาพรานใหญ่พื้นเมืองผู้อายุอยู่ในวัยชาราแล้วแต่ยังแกร่งไปทั้งตัวอ่าปากค้างตะลึงพึงเพริดเอานิ้วแค่หัวถูตัวเองเหมือนจะไม่เชื่อหูที่ได้ยินเดียวเดียวๆดียวเดวดีวน่ายว่ยวไวาไรนะแกร้องส่งจอกเล่าไปขอเพิ่มอีก สักจะอีกหลายอึ น, นายนายผู้แทนน้นอินฟังชัดๆหน่อยสินายหรือพวกของนายทั้งหมดกำลังเตรียมจะไปไหนกันนี่นานอินฟังให้ดีนะครั้งหนึ่งเราสองคนคือฉันกับลุงศูญหายไปในป่าพรานที่ชื่อรพินออกตามเราจนกระทั่งเอาเรากลับคืนรอดชีวิตมาได้ แต่เดี๋ยวนี้เขารบพินไพรวันคนนั้นูญหายไปในป่าเหมือนเราในครั้งนั้นเหมือนกันแล้วเราก็กําลังจะออกติดตามเขาเหมือนเช่นที่เขาเคยตามเราในครั้งนั้นลุงพร้อมไหมที่จะไปกับพวกฉันด้วยจอกล่าที่ถืออยู่ในมือของหนานอินพลัดหลุดจากมือตกเปลืองลงกับพื้นนอกชานที่นั่งอยู่ แก็ไม่ได้ตกใจเรื่องที่จะต้องออกติดตามเช่นที่อดีตพรานนายชดพูดแต่ตกใจที่อยู่ไม่อยู่ก็มาเผชิญหน้ากับสิ่งอันคาดฝันไม่ถึงมาก่อนนายรับพินได้เหรอนายรับพินสูญหายไปในปา่าแต่พึมพำทวนคำตะกุกตะกิกไปยังไงไมายังไงกันนะนายมีเหรอที่ทรานรับพินจะหายไปในปา่าโอ้ เ, เรื่องอะไรที่แกจะต้องออกป่าจนถึงแต่พวกนายต้องออกตามด้วยนั้นยินฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่นายระพินไม่ได้อยู่ที่หนองน้ําแห้งนี่หรอกเหรออนุชาวราริ์หันมาพยักหน้ากับทุกคนบอกว่าเอาละ่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องอธิบายทําความเข้าใจกระนานอินว่าอะไรมันเป็นอะไร เชิถาพยักหน้าให้นายอัมพลชัยยันและดารินเข้ามานั่งประชุมกันอยู่ตรงหน้าพรานใหญ่เผาลาวโสงซึ่งแกก็เบิกตาเป่งคอยเงียหูฟังอยู่อย่างกระหายที่จะรู้เรื่องความเป็นไปนั้นอินผูพ้พูดด้วยเสียงเครียดขึ้จริงจังเป็นคนแรกคือนายอัมพลขณะ น, นี้พ ร, รานรพินไม่ได้อยู่ที่หนองน้ำแห้งนี่หรอกนะ นานอินมาสายไปสำหรับเขาประมาณแปดวันแต่ก็มาทันคณะของเจ้านายที่กำลังต้องการตัวนานอินพอดีพรานใหญ่พร้อมกับคนของเขาสี่คนคือบุญคำจันเกิดแล้วก็เซยเพราะกับลูกหาบอีกสิบคนเดินทางเข้าป่าไปก่อนแล้วเขาไปอย่างเดาสุ่มไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนและจำเป็นที่จะต้องไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ พวกเราไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าเขาจะได้กลับคืนมาอีกเมื่อใดหรือไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ทุกคนช่วยกันบอกเล่าความจริงสลับราการซักไซย์อย่างสงสัยของหนานอินผู้เจนไพรมาตลอดชีวิตจนกระทั่งแกเข้าใจได้โดยตลอดคราวนี้แกไม่หัวเราะเอิกอากอีกแล้วแต่ขมวดคิ้วเคร่งขรึมมองหน้าแต่ละคนที่แวดล้อมอยู่อย่างพินิษ มีหน้าเราไอ้เงาซายถึงได้มาเข้าฝันบอกเป็นในในให้ตรงมาที่นี่ที่สุดแกก็ภูมดพามพออกมาครั้งแรกเมื่อเราไม่มีหวังที่จะได้พบลุงฉันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะเป็นคนนำแกะรอยพวกนั้นไปเองอนุชาวราริกบอกแผ่วเบาแต่เมื่อมาพบลุงแล้วอย่างนี้ ก็อยากจะขอถามความสมัครใจอีกครั้งลุงจะไปกับพวกเราด้วยไหมบอกล่วงหน้าก่อนเลยนะว่าเป็นตายเท่ากันในการเดินทางติดตามพวกนั้นในครั้งนี้ความจริงนายชดเองก็มีความชนานาญในการเดินป่าและแกะรอยอยู่แล้วเหมือนพรานใหญ่คนหนึ่งแต่นั้นอินก็ดีใจที่นันอินมาทันเวลาพอดี แกพูดเนิบช้าแล้วว่าลุงไม่ขัดข้องที่จะไปกับพวกเราด้วยใช่ไหมเชษฐากรชัยันถามขึ้นเป็นเสียงเดียวกันข้าหนานอินสะก่อนถ้าจะไม่ยอไมห่หนานอินไปด้วยในครั้งนี้หนานอินตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วที่รีบเดินทางมาที่นี่อ่าถ้าเช่นนั้นทุกคนโปรดฟังอนุชาลุกขึ้นยืน สูดลมหายใจลึกเต็มปอดถ้าหากนายชดประชากรคู่กับนานอินเมื่อไรแล้วก็ต่อให้หิมมาพานบันพศหรือพระสุเมนไกร ล, ลาดก็บุกถึงขอให้ทุกคนสบายใจได้ทุกคนถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกสำหรับดารินวราฤทธนั้นหล่อนดีใจจนน้ำตาไหลเป็นทาง หลอนไม่สิ้งหวังแล้วบนเรือนของระพินในคืนนั้นไม่มีคณะคนใดง่วงหรือคิดที่จะหลับนอนเลยเดิมทีก็ตราเตรียมข้าวของกันชุลมุนสำหรับการเดินทางพรุ่งนี้เช้าอยู่แล้วจู่ๆนั้นอินผู้ที่ทุกคนกำลังต้องการตัวที่สุดก็โผล่มาสมทบอย่างไม่มีข้าวเงื่อนให้รู้ล่วงหน้าทั้งหมดจึงมีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจยากที่จะกล่าวถู ก็ให้การต้อนรับพรานไพรผู้เท่ากันอย่างเต็มที่ณกลางนอกชาญบ้านของเรือนที่แฝดเข้าหากันบัดนี้จึงเป็นที่ซึ่งทุกคนใช้เป็นที่ประชุมหารือวางแผนและสนทนากันโดยมีนายอัพลซึ่งเป็นฝ่ายประสานงานและนายช่วงชายสูงอายุลูกบ้านหนองน้ำแห่งซึ่งรับพินมอบหมายไว้ให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านคอยดูแลพวกลูกบ้าน ในระหว่างที่เขาไม่อยู่ร่วมวงอยู่ด้วยถูกอย่างที่คุณชายอนุชาวราริ์ประกาศก้องขึ้นเมื่อสักครู่นี่แล้วถ้าหากคนที่ชื่อนายชดประชากรจับคู่กับชื่อหนานอินเมื่อใดทุกโขตขุนเขาลำเนาไพรทุกขนทุกแห่งในอาณาจักรป่าดงก็ย่อมจะปรุโปรงหมดสิ้นเปรียบไม่ผิดอะไรกับระพินไพรวันจับคู่กังแงสายเชนั้น ไม่มีอะไรจะต้องพรันพึงกังวลอีกแล้วอันหนึ่งบุคคลอื่นๆที่จะร่วมคณะไปในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณชายเชิดถาก็ดีชัยยันก็ดีหรือแม้แต่ดารินก็ดีทุกคนไม่ใช่มือใหม่เลยสำหรับการผจญภัยในป่าสูงดงดิบการบุกบั่นผ่านเทือกพระศิวะและมีชีวิตรอดกลับมาได้ย่อมเป็นวุฒิที่เหนือประกาศนียบัตร แห่งการเดินป่าทั้งหลายไม่ว่าจะออกให้โดยสถาบันใดทั้งสิ้นถ้าจะเปรียบเทียบทุกคนในคณะนี้ก็ล้วนดุดสีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวิชาพรานและการเดินดงกันแล้วทั้งสิ่งไม่ว่าการแกะรอยการไต่เขาลงห้วยการสังเกตทิศทางในป่าไหวพริ้วเลี่ยมในการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติภัยจากมวมืดอาถรรพ์ รัตว์ปาดุร้ายนานาชนิดตลอดจนฝีมือในการใช้อาวุธเพื่อการล่าหรือป้องกันตัวและความทรหดอดทนความรู้ความสามารถที่ทุกคนได้รับและศึกษาร่ำเรียนมาโดยประสบการณ์ของจริงก็มาจากระพินไทรวันและแงซ า, ายผู้ประสิทธิ์ประสาสให้นั่นเองทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการผจนชีวิตกลางดงดิ ทุกสภาพเหนือกว่าพวกพรานอาชีพส่วนมากทั่วไปซะอีกยิ่งลงได้นานอินผู้เปรียบเสมือนครูพรานช่ำชองชำนาญในเรื่องสยเวทอาคมมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงด้วยเช่นนี้การเสี่ยงของการเดินทางก็มีเปอร์เซ็นต์ลดน้อยลงทันทีและเป็นที่เชื่อได้ของนายอัมพลว่าคนชุดนี้จะต้องแกะรอยติดตามอารพินไพรวันกลับมาได้ อย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นการนำกลับมาเฉพาะกระดูกก็ตามทีนายอําพลคิดเช่นนั้นแต่ไม่กล้าพูดเขาเองก็ประสงค์จะร่วมทางไปด้วยโดยไม่มีการเสรียแซกแต่ก็จนปัญญาเพราะที่ประชุมไม่อนุมัติและเจียมสังขารตนเองดีว่าถ้าตนไปด้วยก็เท่ากับเป็นภาระให้คนเหล่านี้ซะเปล่าเปลเพราะไม่เคยกับการเหนื่อยยากลาเค็นในป่ามาก่อน สำความรู้ในด้านการเดินป่าก็เรียกว่าไม่มีเลยจึงทำหน้าที่ที่ดีที่สุดได้เพียงแค่ผู้แนะนำให้ความเห็นและประสานงานให้ความสะดวกเท่านั้นและเขาก็จัดทาให้ไวอย่างเต็มความสามารถเพราะคณะทุกคนของคุณชายเชิถามาจากกรุงเทพกันอย่างรีบด่วนแข่งเวลาเหลือเกินอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างขาดจึงเป็นหน้าที่ของนายอําพล ที่จะต้องจัดหาให้ระหว่างที่คนอื่นๆกำลังรุมล้อมสนทนาหารืออยู่กับนันอินดารินถอยออกไปนั่งบนกระสอบข้าวสารเอามือเท้าคางฟังอยู่เงียบๆตาของหล่อนมองจัดอยู่ที่พรานเท่าซึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่กลางวงล้อมหินหน้านันอินแล้วยิ่งทำให้หล่อนหัวย้อนระลึกไปถึงคณะร่วมตายชุดเก่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุญคาเกิด จันเสรยแล้วก็เจ้าหยองกรดพรานตองสู่คู่ชีพของมาเรียสร่างปาคนนั้นส่วนอีกคนหนึ่งก็คือขยินแห่งหล่มช้างเหตุการณ์ทุกระยะทุกตอนผุดขึ้นในความทรงจำเหมือนฉายภาพยนต์ไม่ว่าจะนึกย้อนไปถึงใครคนไหนในเหตุการณ์ใดน้ำตาก็พานไหลออกมาอีกความสัมพันธ์ของบุคคลในชุด ผ่านเทือกพระสิวะมาด้วยกันชุดนี้มีต่อกันอย่างเหนียวแน่นลึกซึ้งที่สุดเหตุการณ์ที่ผจญร่วมกันมาชนิดตายหลายครั้งเกิดใหม่หลายครั้งแบ่งน้ำกันดื่มแจกจ่ายกันแค่คนละอึกเพื่อประทังชีวิตความรักความสามัคคีเสียสละให้แก่กันสภาพเช่นนั้นไม่มีคำว่าบ่าวหรือนายนอกจากความเป็นเพื่อนตาย ที่จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วและตลอดชีวิตนี้จะไม่มีคนหนึ่งคนใดลืมมันซะได้เป็นความรักอันบริสุทธิ์ใจที่ทั้งคณะมีต่อกันอย่างไม่มีอะไรเคลือบแฝงแล้วยาาที่จะหาได้ในสังคมของมนุษยชาติยุคปัจจุบันนี้ยิ่งกว่าญาติสนิทยิ่งกว่าพี่น้องคลานตามกันออกมา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเอ่ย อ, อ้างหรือกรีดเลือดสาบานร่วมกันเลยต่างฝ่ายต่างได้ศึกษาเรียนรู้และยั่งซึ้งในท่าแท้น้ําใจของกันและกันในครั้งนั้นทะลุโปร่ปรงหมดรักแท้ระหว่างหญิงสูงสักและพรานป่าเกิดขึ้นที่นั่นมิแท้ระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนก็เกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกันกลางดงกันดาน่า และความจริงใจระหว่างบ่าวกับนายก็ได้พิสูจน์ตัวของมันเองเด่นชัดว่าแม้จะเป็นนายก็อาสราชีวิตให้แกบ่าวได้ในเหตุผลอันสมควรส่วนบ่าวก็จะตายแทนให้แกนายได้ทันทีถ้าเป็นโอกาสของเขาสิ่งเหล่านี้ป่าดงพงไพรซึ่งได้บุกกันไปอย่างไม่รู้อนาคตเท่านั้นที่จะกลั่นกรองน้ำใจของแต่ละคนออกมาได้ ทำให้เกิดความยั่งซึ้งผูกพันกันเป็นสายโซ่ระพินไพยวันนั้นเว้นซะไม่ต้องเอ่ยสำหรับหล่อนในขณะ น, นี้ดารินคิดถึงแง่ทรายคิดถึงบุญคำจันเกิดเสยส่างปาและขยินจนบอกไม่ถูกขณะเดียวกันหล่อนก็นับถือเคารพน้ำใจของพี่ชายทั้งสองคน รวมทั้งชยันและมาเรียที่ได้ตัดสินใจออกติดตามรพินในครั้งนี้ถึงแม้มาเรียจะมาด้วยไม่ได้ก็เป็นผู้ผลักดันชยันผู้สามีซึ่งสมัครใจอยู่แล้วอย่างเต็มที่อย่างไม่มีการลังเลเลยเมื่อรู้ความจริงแน่นอนจากนายอัมพลท่าเชษฐาอนุชาชายันไม่ตกลงมหรือมีความเห็นแตแกแยกเสอย่างเดียวเท่านั้นลําพังหลอน ผู้หญิงเพียงคนเดียวต่อให้มานะพยายามสักแค่ไหนเรนจะมีปัญญาตามระพินได้อย่างไรคิดแล้วบนความว้าเววันมิตกหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยก็บังเกิดความอบอุ่นใจขึ้นทันทีหนานอินการไปตามระพินในครั้งนี้ของเราก็เหมือนเหมือนกับครั้งที่เราไปตามนายชดกนานอินในครั้งนั้นแหละตอนหนึ่ง ดารินได้ยินเสียงพี่ชายใหญ่เอ่ยขึ้นแช่มช้าแต่หนักแน่นมั่นคงในน้ำเสียงอันเป็นบุคลิกประจำตัวของเขาเราไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากมายจนถึงกับว่าเราจะต้องได้ตัวเขากลับคืนมาในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเขาไปอย่างไม่มีอนาคตและไม่มีจุดหมายที่แน่นอนแต่เราจะตามไปจนถึงที่สุดชนิดถึงไหนถึงกันเพื่อว่า อย่างน้อยก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเขาไปเสียชีวิตที่ไหนยังไงแล้วก็ต้องเอากระดูเขากลับคืนมาความเงียบบกคลุมไปชั่วขณะได้ยินแต่เสียงลมดึกพัดกิ่งไม้ไหวสู้อยู่เหนือหลังคาบ้านและมีเสียงบางร้องแหลมยาวแวววลงมาจากชายดงไกลคนอย่างนายรพินน่ะถ้าจะตายก็เพราะโรคเข่าประจําตัว ไม่ใช่ตายเพราะภัยจากมนุษย์จากสัตว์หรือความอาถรรพ์ของตาหรอกนายนานอินเปรยขึ้นอย่างใช้ความคิดแปบดบวันที่นายรพินล่วงหน้าไปก่อนแล้วไม่นานเกินไปนักนานอินเชื่อว่าจะแกะรอยก้าวสกัดได้ทันและต้องตามพบที่ใดที่หนึ่งแน่นอน พระนายรพินนำทางพวกนั้นไปเป็นขบวนไม่ได้เดินตามนำพังคนเดียวถึงยังไงก็คงไปได้ไม่เร็วนักและพรานใหญ่ผู้เท่าก็หันไปทางนายอัมพลนายนายห่างบอกว่าคณะนายรพินจะมุ่งเข้าหาห่วยเสือร้องก่อนเลยใช่ลุงอิดฉันหลอกถามเขาว่าจะไปทางไหน เขาก็บอกว่าจะบา่ายหน้าไปทางห่วยเสือร้องก่อนผู้อนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์พยักหน้าพร้อมกระตอบมานั้นอินเอามือลูกคางถ้ามุงห่วยเสือร้องก็จะต้องผ่านดงผ่านข้าวดงดำในอันดับต่อไปแต่เป็นคนละด้านก็หล่มช้างมีข่าวของสัมภระไปด้วยแยะไหมในห้างแกเริ่มสอบถามทันที ก็ไม่แย่นักหรอกของจำเป็นทั้งนั้นแหละใช้ลูกหาบสิบคนนายรพินกับคนของเขาอีกสี่รวมเป็นห้าฝรั่งสี่คนสองคู่แล้วก็มีนายทหารไทยอีกหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จก็ยี่สิบคนพอดีคนยี่สิบคนมีของแบกหามไปด้วยไปได้ไม่เร็วนักหรอกนั้นอิ่งอยากรู้ว่าฝรั่งสี่คนน่ะ ที่เป็นผู้ใช้ยสองผู้หญิงสองกับนายทหารไทยอีกคนหนึ่งเคยเป็นคนเดินป่ามาก่อนหรือเปล่านันอินรอบคอบไม่ใช่น้อยทีเดียวที่สักถานนายอัมพลเช่นนี้ฉันก็ไม่รู้แน่เหมือนกันนะนานอินเพราะไม่เคยรู้จักคนเหล่านั้นมาก่อนแต่เท่าที่เห็นกิริยาท่าทางและการจัดเตรียมเข้าของก็รู้สึกว่านายจ้างทั้งห้าคนของคุณรพิน น่าจะเข้าใจในเรื่องเดินป่าเป็นอย่างดีมาแล้วนายทหารไทยคนนั้นน่ะเป็นฝ่ายเดียวกับคุณรพิน์แน่เพราะเลือดไทยด้วยกันแต่ฝรั่งสี่คนน่ะเป็นพวกเอฉันจะบอกขระหนันอินยังไงถึงจะเข้าใจได้ดีนะเอาเป็นว่าพวกทหารต่างชาติที่เขาอาจจะไม่จริงใจกับฝ่ายเรานักก็ได้แล้วก็เป็นกลุ่มบุคคลที่ถ้าคุณรพินไม่ประมาทก็ควรจะต้องระวังตัวเต็มที่ เพราะพวกนั้นนะอาจจะหักหลังเมื่อไหร่ก็ได้นายอำมพลก็บอกอย่างตรงไปตรงมาดีเหมือนกันเพราะในภาวะเช่นนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องปกปิดกันอีกแล้ะแต่พยักห น, น้าเนิบๆอย่างเข้าใจชั ย, ยันก็เสืมอมาว่าตามปกติแล้วนะการเดินทางเข้าป่าของรพินไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรของพวกเราเลยลุงอินเขาเข้าไปได้เขาก็ออกมาเองได้ ช้าหรเร็วเท่านั้นมันสุดแต่ธุระของเขามันเป็นปกติวิสัยเท่าที่เราเคยรู้แต่การไปของเขาคราวนี้มีสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างมากเพราะเกี่ยวกับนายจ้างต่างชาติและงานสำคัญที่เขารับทำให้นั่นแหละเราเป็นห่วงเขาในเรื่องนี้จึงจำเป็นจะต้องตัดสินใจตามไปด้วยไงพรานเท่าเจนไพรหัวราอในลำคอ มวนบุหรี่ใบตองแห้งช้าๆในมือในป่าใครจะมามีเลขก้นอะไรกับนายระพิน์ได้มิแต่ว่านายระพินจะหลอกเอาพวกนั้นไปตายซะละมากกว่าใครจะตามต่อให้มันเก่งมาจากไหนเดินป่ากับนายระพิน์ก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วนายระพินคนเดียวเมื่อไหรอย่างไอ้คำไอ้จันไอ้เกิดกล้เสย ทหารเอกสีตัวของนายราพินนั่นแต่ละตัวอย่างกับผีไพรทั้งนั้นเรื่องนี้น้านอินไม่เคยห่วงนักหรอกห่วงแต่ว่านายราพินน่ะเป็นคนสื่อสัตา์และทํางานจริงไม่เคยทรยศต่อใครเลยอีทีนี้ไอเรือบินลํานั้นมันไปตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หน้าที่ของแกก็คือจะต้องพาไปค้นให้พบเรือบินตกอาจจะต้องเดินงมหากันตลอดชาติก็ได้ นา่นอินเห็นด้วยที่ว่าจะต้องออกตามเพราะคนอย่างนายระพินต่างงานที่แกรับจ้างไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแกก็ไม่ยอมกลับเหมือนกันว่าแต่นี้ทั้งเจ้านายเหอะประโยคหลังแกกว่าตาไปยังกองสัมภาระที่ยังเกะ ก, กะเกลื่อนอยู่เตรียมตัวกันพร้อมเลยเลยจะไปกันสักกี่คนล่ะเนี่ยเรากําลังเตรียมของยุ่งกันอยู่เนี่ย อนุชาเป็นคนบอกชี้มือกราดไปยังถุงทะเลกองสัมภาระที่ยังจัดไม่ได้ที่ก็พอดีลุงอินโผล่มพอดีพวกฉันทีแรกก็จะไปกันสี่คนนี่แหละคือนายใหญ่ตัวฉันนายทาหารชัยันแล้วก็นายหญิงดารินได้ลุงอินมาสมทบเป็นพรานนำทางอีกคนนึงก็รวมเป็นห้าส่วนพวกลูกหาบเราก็จะเอาไปสิบคนเท่ากับลูกหาบของคณะรพินก็เหมือนกัน โดยให้คุณนำพลกระนายช่วงที่นั่งอยู่เนี่ยจัดหาให้จากคนในหนองน้ำแห้งเลือกเอาพวกที่เคยชำนาญในการแบกหามเดินป่าโดยเฉพาะเข้าของฝ่ายเราก็จะไม่เอาไปมากนักหรอกก็เฉพาะของที่จาเป็นจริงๆเท่านั้นอาจจะมีน้ำหนักน้อยกว่าฝรั่งพวกนั้นซะอีกเพราะเราไม่ต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรที่เกี่ยวกับการกู้ระเบิดอาหารกระป๋องเราก็มีไปไม่มากฝากท้องกระปาข้างหน้า ลุงจะมีอะไรแนะนำเราบ้างไหมของน่ะเอาไปน้อยๆยแหละดีไม่ต้องแบกน้ำหนักมากถ้าไม่เดินเร็วขึ้นข่าปลาก็นานอินอะนะเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงจำเป็นเข้าจริงๆหัวเผือกหัวกลอยก็ประทังชีวิตได้นายชดเองก็ย่อมรู้อยู่แล้วเพราะคราวนั้นเรากินเข่าลิงข่าลิงหลายมือติดต่อกันเราก็ยังไม่ตายฮ <laughs> แล้วแกก็หัวเราะถอดผ้าขาม้าที่โพกสีสระออกมาเห็นเส้นผมขาวมากกว่าดำและสะบัดพึบผักไล่แมลงข้างตัวไอ้คนที่จะเอาไปด้วยสิบคนน่ะพวกเจ้านายแน่ใจเลอ ว, ว่ามันจะยอมไปกับเราตลอดเพราะเดินทางคราวนี้น่ะมันเสี่ยงมากนะอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกลุงนายอภพลเป็นคนตอบ ทุกคนน่ะล้วนรักนับถือระพินแล้วก็เป็นเครือญาติกาพรานสี่คนนั่นทั้งนั้นทุกคนมีความห่วงระพินไม่น้อยไปกว่าเราแล้วก็อาสาที่จะไปด้วยทั้งนั้นจนต้องคัดออกเลือกเอาเฉพาะที่แข็งแรงและชำนาญตาจริงๆเท่านั้นข่าจ้างเขาก็ไม่ต้องการรับขอเพียงให้ไปตามเจ้านายของเขาเท่านั้นทั้งนั้นก็ดีพรานเท่าว่าแล้วมองไปยังฝ่ายเจ้านายทีละคนอย่างเคารพชื่นชม นานอินบูชาน้ำใจของเจ้านายทั้งหมดที่คิดจะไปตามนายราพินครั้งนี้แปลว่าพวกเจ้านายทุกคนนเป็นคนจริงรู้จักค่าของคนที่เคยรับใช้เจ้านายมาแล้วด้วยชีวิตแล้วก็เป็นเพื่อนแท้ไม่ยอมทิ้งกันสําหรับนานอินนถ้ามารู้ข่าวนี่สั ก, ก่อนนานอินก็คงออกติดรอยนายราพินไปก่อนแล้วทิ้งแกไม่ได้เหมือนกัน โมตร่อนเร่พเนจร อ, อยู่ในราวไพรไม่ได้ผ่านมาทางนี้นานก็เลยไม่รู้เรื่องกันคนอย่างนายระพินเป็นคนหายากน้ำใจของแกประเสริฐสุดนานอินเองก็รอดตายเพราะแกมาหลายครั้งก่อนจะออกเดินทางไปจนายชดครั้งนั้นนะมารู้ข่าวเอาเดี๋ยวนี้ก็ออกจะใจหายเชิดายิ้มขรึมๆจุดซิกา พวกเราก็เชื่อเหมือนกันว่าทนานอินรู้ข่าวก็คงออกตามไปแล้วว่าแต่ลุงเธอเห็นพวกเราที่เตรียมตัวเดินทางในคราวนี้มีอะไรน่าหนักใจบ้างไหมท่านอาวุโสชั้นครูระเบือชื่อไปทั่วทั้งฝั่งพมา่าและฝั่งไทยสั่นหัวไม่มีอะไรที่นานอินจะต้องหนักใจหรือเป็นห่วงนักเจ้านายทั้งสี่คน รวมทั้งนายหญิงนั่นล้วนแล้วแต่เคยเดินป่านักที่สุดมาแล้วทั้งนั้นรู้และชำนาญดีอยู่แล้วว่าปาน่ะมันคืออะไรไม่ใช่มือหัดใหม่ถึงแม้จะทิ้งไปนานวันสองวันแรกอาจไม่คล่องนักแต่พอให้เส้นสายยืดกำลังอยู่ตัวสันหน่อยเท่านั้นทุกคนก็เหมือนพรานอาชีพแทบจะปล่อยเดียวได้ทุกคน เสียดายอยู่ก็ตรงที่นายแมมาเรียมไม่ได้มาด้วยเพราะออกลูกนายทหารชัยยันก็ใจเด็ดแท้เมียเพิ่องออกลูกยกยกย ก, ก็บุกมาตามเพื่อนเลยเมียกับลูกเขาน่ะสุขสบายดีละแต่เพื่อนกําลังตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องห่วงเพื่อนมากกว่าล่ะชัยยันตอบโพล่งออกมาคนเราอะเพื่อนแท้แค่ไหน มันก็รู้กันก็ตอนที่เพื่อนกำลังทุกยากนี่แหละนันอินพูดทื่อๆด้วยภาษา ง, ง่ายๆของแกแต่มันก็เป็นตรัษยาหน้าคิดและกินใจลึกในความรู้สึกของทุกคนที่ได้ยินอ่ะพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นกันยังไงก็หารือกันเสีนเดี๋ยวนี้เลยลุงฉันมอบหน้าที่ในการนำทางให้กนะันลุงนะอดีตชดประชากรถามขึ้น คนตั้งยี่สิบคนไตกันเป็นขบวนใหญ่ตามยางตามรอยไม่อยากรอกนายชดจะเรียกนามเดิมที่คุณปากของหม่อมราชวงศ์อนุชาวราลิเชื่อว่าร่องรอยจะต้องทิ้งให้เราคลำได้เป็นระยะไปทีเดียวอีกอย่างหนึง่งก็เพิ่งล่วงหน้าไปแค่เจ็ดแปดวันเท่านั้นยังไม่นานนะักนั้นินตั้งใจว่า จะมุ่งเข้าหาหมู่บ้านก็ะเรียงรั์ บ, บอลก่อนคิดว่าคณะของนายราพินคงจะไปพักแรงอยู่ที่นั่นเป็นคืนแรกสอบถามเอาความไม่แน่ชัดจากชาวบ้านพวกนั้นพอรู้แน่ยังไงแล้วเราก็จะใช้วิธีก้าวสกัดตัดทางไปยังห้วยเสือร้องไม่ต้องตามรอยไล่หลังเข้าไปทุกระยะให้เสียเวลาใช้วิธีเกงเป้าหมายแล้วดักเป็นจุดๆไป สิ่งที่เจ้านายทุกคนจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องทำเวลาเดินให้เร็วที่สุดชักช้าเสียเวลาไม่ได้เลยเชิดถาดีดนิ้วอย่างพอใจนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเจ้าและฉันก็คิดอย่างนั้นก่อนแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเราจะสกัดกั้นเส้นทางเขาได้ถูกหรือไม่เท่านั้นแต่เมื่อมีนายนินมาร่วมแล้วเช่นนี้ก็เบาใจไปแยะทีเดียว เพราะในเรื่องเดินป่าแล้วนอกจากแ ง, ง่ทรายก็คงมีนานอิงหยุ่ยคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะอ่านรหัสอ่านใจระพินได้ถูกว่าเขาควรจะบ่ายหน้าไปทางไหนก็ยังไม่แน่เหมือนการนายายเราเสี่ยงกันดูเท่านั้นเล่นเอาเธอเจ้าหลอกกันนายระพินในป่านะ่ะมันไม่ใช่ของง่ายนะ่ะครั้งหนึ่ง นานอินเคยสะกดตามหลังแกเว้นระยะห่างกันแค่วันเดียวเท่านั้นยังตามไม่ทันเลยดันเดินซื้อหาไปทุกถ้ำทุกเขาร่วมครึ่งเดือนจนหมดหวังแล้วดันพากลับมาพบแกที่หนองน้ําแห้งนี่เองแกกลับมาถึงก่อนหน้านานอินตั้งสามสี่วันแต่ตอนนั้นน่ะแกตามช้างรายของแกอยู่คนเดียวไม่ได้ออกเดินทางเป็นขบวนใหญ่แบบนี้ นายระพิน่ะเดินป่าเหมือนพรามคนอื่นๆที่ไหนตัดเขาได้เมื่อไรนะแกตดัดมุดทำได้เมื่อไรแกก็มดุดเรียกว่าไม่มีทิศทางเดินให้เดาได้หรอกจนกระทั่งบางทีน้านอินยังคิดว่าแกใช้วิชาตัวเบาหรือนั่งเทียนเบิกภูเขาไปงันหละอยู่ในป่านะนายระพินแกคนธรรมดาเชเมื่อไรผีป่าแท้ๆต่อ้แงาสายก็เถอะ ถ้าจะให้ตามกันเดี่ยวๆจริงๆแล้วจ้างก็ตามนายราพิน์ก็ไม่ทันไอ้พวกฝรั่งน่ะมันฉลาดที่สุดก็ถึงได้มาฟาเอาตัวนายราพินไปคราวนี้ฉลาดเท่าๆกับพวกเจ้าหนายที่แกที่มาจ้างแกไปตามตัวนานอินกันนายชดทีเดียวแหละ <laughs> ทุกคนเพิ่งจะหัวเราะออกมาพร้อมๆกันได้เป็นครั้งแรกก็เพราะคําพูดของพรานอาวุโส ที่แฝงแววขบขันไว้ชายันนึกสนุกเริ่มคนองปากก็เลยสอ ต, ตูมตามออกมาว่าเอ๊ฉันว่าไอ้ฝรั่งพวกนั้นฉนลาดกว่าคณะของฉันที่เคยมาจ้างรพินในครั้งนั้นซะอีกนาเพราะคราวนั้นน่ะพวกฉันมีผู้หญิงขี้ริ้วร่วมเดินทางไปคนเดียวคือคนที่นั่งหน้าเศร้าอยู่นี่ไงชายันชี้มือไปที่ดารินพร้อมกล่าวต่อ แต่ฝรั่งพวกนั้นน่ะเอาแมมสาวๆมาพร้อมกันสองคนแต่ละคนน่ะสวยสเสด็จญาติบาใจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ใช่เมียไอ้ฝรั่งผู้ชายสองคนด้วยเป็นสาวโสดรับรองว่านายระพินของหนานอินคงพาเดินเขาลงหุวยมุดท่ำเพลินไปเลยละ่ะประโยคหลังเขาเจตนาที่จะยั่วล้อเลียนดารินโดยตรงแต่แล้วก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ควรพูดออกไป เพราะความขนองปากเช่นนั้นเมื่อเห็นเพื่อนสาวที่เปรียบเสมือนญาติในตาตกลงพื้นใบหน้าซีดเซียวลงไปอีกเชษดฐากับอนุชาถลึงตามองมายังชยันราวกันนัดกันไว้แล้วรอบเอานิ้วแตะริมฝีปากเชิงให้เบรกวาจาเอาไว้บ้างชายันจึงได้แต่ยิ้มแห้งๆ ห, หน้าเจือนไปแต่นั้นอินไม่รู้ความในใดๆทั้งสิน้นผูดตามระษาซื่อของแกว่า ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงไม่ว่าสาวหรือแกไม่ว่าสวยหรือไม่สวยไม่มีความหมายสําหรับนายราพินทร์นั้นอินรู้จักนายราพินทร์มานานแล้วนายราพินทร์ไม่ใช่คุณไวไ ฟ, ไฟเจ้าชู้เรื่องนี้คนที่คุ้นเคยกับแกต้องรู้ดีทุกคนแกอยู่ที่นี่มาจนจนจะเป็นปู่ของป่าแล้วนานอินยังไม่เคยเห็นแกข้องแวะกับผู้หญิงคนไหน ไม่ว่าคนกรุงจากเมืองหลวงหรือคนป่าคนเขา่าดารินวราริ์ลุกขึ้นจากที่นั่นเดินช้าๆอย่างปราศจากความหมายไปหยุดยืนกอดอกอยู่ที่หน้าต่างทอดสายตาฝ่าความมืดขึ้นไปยังหมู่ดาวบนท้องฟ้าอนุชาใช้กำปั้นซัดปึกลงมากลางหลังของสหายปากเปล่าของเขา กิบไอ้บ้าแกไม่น่าจะทำให้น้อยต้องเสียใจเลยบ้าพลอยไม่เข้าเรื่องแค่นี้ประสาทตก็จะกินตายอยู่แล้วใช้ยันหัวราอแห้งๆแล้วค่อยๆลุกขึ้นย่องตามเพื่อนสาวเข้าไปยืน อ, อยู่ใกล้ๆเอามือโอบเอวไว้น้อยฉันขอโทษนะถ้าพูดอะไรทำให้เธอไม่สบายใจฉันแค่ล้อเธอเล่นน่ะ ริมฝีปากคู่นั้นปรากฏรอยยิ้มจางๆตาคงมองออกไปยังความมืดเช่นนั้นไม่หรอกชายันฉันไม่ใช่คนอ่อนแอถึงขนาดนั้นหรอกน้อยอนี่ถามอะไรอย่างจริงใจสักอย่างได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆน ะ, ะจะถามอะไรเคยมีอะไรกร ะ, ระพิน เกินเลยกว่าสภาพของการเป็นคนรักมากไหมชยันกระซิบเบาที่สุดดาลินวราฤทธิ์หันช้าๆมาประสานสายตาตรงกับเพื่อนชายผู้สนิทเท่ากับพี่ยิ้มเศร้าๆสันน่ะฉันเสียดายหรือเกินที่เราไม่เคยมีอะไรกันเลยอาจจะเป็นเพราะฉันเล่นตัวอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษเกินไป จริงๆนะชยันฉันอยากจะให้มีเหลือเกินเพื่อว่าอย่างน้อยก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปในครั้งนี้อาจมีอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้เขาต้องรีรอเพราะห่วงพันยาของเขาแต่นี้เขาไม่มีอะไรจะต้องห่วงเลยบทจะไปก็ปรปปับไปง่ายๆ เสียงของดารินแหบเหือดเครือลงกัดริมฝีปากแน่นกระซิบแผ่วต่อมาว่ารบพินน์น่ะเป็นคนคิดมากแล้วก็เจียมตัวที่สุดเขาดูเหมือนจะไม่เชื่อหรอกนะว่าฉันรักเขาจริงคอยคิดระแวงอยู่เสมอว่าฉันจะทอดทิ้งหมดความเอาเจใส่ต่อเขาภายหลังจากที่เราห่างไกลกันแล้ว นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้เขาหมดอะไรตายอยากกชีวิตหมดหวังถ้าฉันยอมเป็นพัญญาก็ซะทั้งทั้งที่นิวกาตั้งพันครั้งฉันเชื่ออ่เป็นตายร้ายดีเขาก็คงไม่จากฉันไปในคราวนี้หรอกหรือถ้าจะไปก็คงจะต้องส่งข่าวให้รู้ไม่ใช่หนีไปแบบนี้ คำพูดปนสะอื่นของดารินทำให้ชายันนิ่งซึมไปนานแต่เขาจะเชื่อแน่ว่าเธอรักเขาอย่างเด็กเดียวจริงจังเมื่อเธอเสี่ยงชีวิตตามเขาไปนะน้อยใช่ฉันก็หวังไว้เช่นนั้นแต่อะไรจะมาเป็นหลักประกันว่าฉันจะตามไปพบเขาในสภาพที่ยังหายใจอยู่ไม่ใช่พบเฉพาะแต่หลุมฝังศพหรือกระดูกของเขา ในหนทางที่เรากำลังจะบุกบัน่นไปล่ะเพื่อนรักกันมาแต่เล็กแต่น้อยสนิทเหมือนพี่น้องคลานตามฝ่ายหนึ่งชายอีกฝ่ายหนึ่งหญิงมองตากันนิ่งไปเช่นนั้นครั้นแล้วขณะหนึ่งต่อมาชายันก็จับต้นแขนทั้งสองข้างของหม่อมราชวงศ์สาวไว้บีบหนักแรงน้อย อย่าคิดในแง่อภมงคนเราต้องตัดสินใจในด้านที่ดีงามและมีความหวังไว้ก่อนครั้งก่อนนี่ตอนเราออกตามอนุชากระนานอินเรายังไร้ความหวังยิ่งกว่านี้สักสิบเท่ากระมังเชื่อแน่กันตั้งเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นว่าไม่มีทางได้ตัวกลับคืนมาแต่ในที่สุดเราก็ยังทํากันได้สําเร็จมาคราวนี้ ฉันขอตั้งความหวังไว้ถึง75เปอร์เซนเลยว่าเราจะต้องตามเขาพบในสภาพที่ปลอดภัยเรียบร้อยและเอาตัวกลับคืนมาได้ดารินฝืนยิ้มรวยๆอะไรทำให้เธอตั้งความหวังไว้มากมายถึงเพียงนั้นล่ะใช่ยังก็ง่ายๆนะน้อยไม่ต้องคิดอะไรให้เปลือสมองรับพินนะ่ะรานชำนาญป่า ส่วนเราบางอาจพยายามไปตามตัวเขาเขาเองนะ่ะที่จะต้องเอาตัวรอดได้อย่างสบายแนละ้วตรงข้ามพวกเราที่จะไปกันนี่สิชัยยันบุยปากไปยังพักพวกทุกคนพวกเราได้ถามตัวเองดูแล้วหรือยังนะ่ะว่าเราชํานาญเท่าเขาหรือเปล่าต่อให้แต่ละคนเคยผ่านประสบการณ์มาสักแค่ไหนก็ตามเทียบกระพินแล้วเรามันก็แค่ลูกศิษยนะ์เท่านั้น พวกเราในชะั้นประถมชวนเขาในชะั้นอุดมศึกษาสิ่งที่น่าห่วงฉันว่าไม่ใช่เขาหรอกแต่ควรเป็นพวกเราต่างหากจะมีใครพาพพลังสีชีวิตลงบ้างหรือไม่ในการเดินทางคราวนี้เพราะฉะนั้นฉันว่าเธอเลิกกังวลทุกใจเกินกว่าเหตุจะเถอะน้อยยึดมั่นอย่างเดียวว่าเราจะไปตามเขาให้ได้ก็แล้วกัน แล้วเราก็กำลังจับไปกันอยู่แล้วราชสกุลสาวส่งมือไปให้ชยันจับแล้วบีบกระชับแน่นตกลงชัยยันฉันจะทำใจให้ได้อย่างที่เธอแนะนำะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งชัยยันกล่าวหนักแน่นต่อไปเราก็ควรจะสบายใจและมีความหวังเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวนะเมื่อหนันอินโผล่มาในคืนนี้และพร้อมที่จะไปกับเราด้วย ลอยลำเลยแบบนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วถึงไหนถึงกันการโทรมาของหลานนานอินครั้งนี้นักก็เป็นลางดีหรือมหาโชคในการเดินทางของเราบอกตรงๆนะว่าลํำพังอนุชาต่อให้เราเชื่อว่าเขาแน่สักขนาดไหนฉันก็ยังไม่เชื่อฝีมือนักรรกในด้านแกะรอยนะ่ะเราอาจเหนื่อยอาจต้องเสี่ยงชีวิตกันแทบเลือดตากระเด็นไม่น้อยกว่าการเดินทางครั้งนั้น แต่ความหวังเราก็มีมากกว่าอ่ะมาทางนี้เถอะน้อยตั้งแต่หัวค่ําแล้วพอกินอาหารเสร็จเธอก็ไม่มาร่วมอะไรกับเราเลยเข้าห้องปิดประตูงเงียบนี่นี่นี่มาช่วยฉันกะเตรียมของดีกว่าอส่วนเรื่องเตรียมแผนเดินทาง่ะปล่อยเป็นหน้าที่ของอนุชาเชษฐาแล้วก็นันอินเขาจะได้หารือกันพร้อมกับผู้ชายยันจูมือเพื่อนสาวตรงมายังกองสัมภาระ อันสุ่มพเนินอยู่และลงมือจัดเตรียมเพื่อให้เป็นหมวดหมู่สำหรับการบรรจุเข้าหีบห่อหรือถุงทะเล ท, ทันทีดารินมานั่งคุกเข่ขาดูอยู่ด้วยท่ามกลางสิ่งของเหล่านั้นแต่ก็ยังงงงงช่วยทำอะไรไม่ถูกนะักอันเนื่องมาจากข้อได้เปรียบที่สอบรู้กันได้ล่วงหน้าจากนายอําพลว่ามีอาวุธและอุปกรณ์ชนิดใดบ้าง ซึ่งฝ่ายนายจ้างอเมริกันของระพินจัดเตรียมและออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วชยันและเชษฐาซึ่งทําหน้าที่วางแผนทางเสนาธิการจึงกําหนดสิ่งของโดยเฉพาะยุทธสัมภาระชนิดที่จะไม่ยอมเสียเปรียบอเมริกันเหล่านั้นเลยสคนคือเชษฐาอนุชาและชยันจะใช้ไรเฟิลติดตัวประจํามือในภาวะปกติเหมือนกันทั้งหมด เพื่อสะดวกในการอาศัยกระสุนแทนกันได้คือขนาดจุด458ห้าแป e วินเชสเตอร์แนัสำหรับการป้องกันตัวจากสัตว์ใหญ่และหาอาหาร M 1 6แบบคอมมานโดพับฐานสำรองไปอีก4กระบอกสำหรับบุคคลทั้ง4หากว่าเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องสู้รบหรือเกิดสถานการณ์ที่กลิงเกรงไว้ล่วงหน้าแถมด้วยเครื่องยิงระเบิดขนาด40มม แบบ n 7 9อีก2กระบอกพร้อมทั้งกระสุนขนาดที่พอเพียงจะตั้งรับหรือถล่มทหารได้เป็นกองร้อยอาวุธสงครามเหล่านี้จะถูกแพ็คเข้าฮีพอเรียบร้อยและกำหนดการไว้ว่าจะงัดออกมาใช้ก็ต่อเมื่อถึงคราวจำเป็นเท่านั้นวัตถุระเบิดเพื่อการดัดแปลงเป็นกับระเบิดหรือทำลายสถานที่พร้อมเชื้อปะทุจานวนหนึ่ง โดยตัดระเบิดมือแบบคว้างออกไปเสียเพราะมี M79 ใช้แทนในระยะไกลและให้ความแม่นยำรุนแรงพอกันอยู่แล้วสำหรับลูกหาดทั้ง10บคนที่คัดเลือกตัวได้แล้วจะใช้ลูกซองบรรจุห้านัดทั้งหมดบางกระบอกเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติบางกระบอกก็เป็นแบบสไลด์แอคชั่นสุดตนามพลจะจัดสรรหามาให้ได้รวมทั้งของส่วนตัว ที่บางคนก็มีอยู่บ้างแล้วสำหรับดารินนั้นอาวุธหลักประจำตัวเจ้าตัวเองยังไม่ได้กำหนดแน่ลงไปว่าจะใช้อะไรเพราะมัวแต่หมดกระจิตกระใจที่จะคิดทำอะไรนอกจากความเศร้าซึมเดี๋ยวนี้เมื่อมานั่งเท้าคางมองดูชัยันจัดของอยู่ก็ได้รับการแนะนำจากเพื่อนชายว่านี่น้อยเพื่อความคล่องตัวและเบาไม่เป็นภา ร, ระในการติดตัว เใช้เอ็มิบหก็แล้วกันหน้าที่คุ้มกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่เป็นของพวกผู้ชายเขาอยู่แล้วดารินสันศีสะนช้าๆและพูดเน้นหนักอย่างมั่นใจขณะที่รีตาลงว่าไม่เอาพวกเอ็มมัดหอรวมไปตามเดิมฮะฉันจะใช้ปืนกระบอกเดิมของฉันคือสามร้อยเวแมกกระบอกนั้นน่ละล้วพี่ยังเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมในตู้มันจะเพ็นเพื่อนที่ดีที่สุดสาหรับฉัน และมีความหมายฉันได้เตือนระลึกไปถึงอดีตฉันทิ้งมันไม่ได้หรอกไรเฟิลประจํมมือกระบอกนั้นชัยยันหัวเราะ อ, อ่ะถ้างั้นก็แปลว่าฉันทายใจเธอถูกดินี่ไงกระสุนจุดสามศูนย์ศูนย์เวเธอร์แม็กฉันเตรียมให้เธอแล้วเผื่อไว้สักห้ากล่องหนึ่งร้อยนัดพอไหมหล่นพยักหน้าด้วยอาการใจลอยอยู่เช่นนั้นแล้วพูดมาอีกทางหนึ่งว่า เธอรู้ไหมเชยันปืนของฉันกระบอกนั้นอะระพิงเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดไม่มีรอยสนิมแม้แต่นิดเดียวเหมือนจะรอให้ฉันกลับมาใช้อยังงั้นแหละฉันเปิดตรวจ ด, ดูแล้วในตู้ปลายเตียงในห้องนอนของเขาหนีงน้อยฉันก็ไม่รู้นะว่าเธอเสี่ยงสัตว์อธิษฐานไว้ไว้ยังไงเกี่ยวกับไอ้ปืนกระบอกนั้นไอ้ที่เปิดออกมาแล้วไม่พบสนิมนะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดา ยอดชายของเธอนะ่มันไรเฟิลแมนตัวชะกาดอยู่แล้วก็จะปล่อยให้ปืนที่อยู่ในความดูแล ข, ของเขาเกิดสนิมขึ้นมาได้ยังไงคนฝาาชีวิตในป่านะี่มันก็ต้องรักปืนแล้วคนรักปืนมันก็ไม่ปล่อยให้ปืนเป็นสนิมหรอกไม่ว่าจะกระบอกไหนทั้งนั้นนะแล้วเป็นไงไปเปิดตรวจ ด, ดูคลังปืนของเขาแล้วเห็นปืนเก่าๆชุดนั้นของพวกเราอยู่ครบไหมโดยเฉพาะจุดหกูนยศูนย์ดับเบิลไรเฟิลของฉันอะ ดาลินพยักหน้าครบไม่มีกระบอกไหนขาดหายไปเฉยๆหรอกนอกจากบางกระบอกที่เขาจำเป็นจะต้องเอาติดตัวไปด้วยสำหรับหกร้อยในตรของเธอนะยังอยู่คราวนี้เธอไม่แบกไปอีกเหรอชายันหัวเราะดังๆโถ่น้อยคนเรานะ่มันก็ต้อ ง, งโง่ซะก่อนถึงจะฉลาดภายหลังคราวนี้ฉันไม่งโง่แบกปืนหนักแรงถีบขนาดนักรวยนักมวยเฮฟวีเวทต่อยไหลให้บ้าอีกอะ แล้วกระสุนก็หาไม่ได้เลิกผลิตไปแล้วคิดถึงสมัยก่อนแล้วมันน่าหัวเราะนะพวกเราทุกคนแต่ละคนกลายเป็นตัวตลกไปทั้งนั้นยกเว้นเชษฐาคนเดียวที่รักษาเหลี่ยมคูไว้ได้ดีที่สุดยิ่งเธอเอง ấy, ยังก็จะมาถ่ายหนังเลยเพื่อนชายพยายามพูดคุยด้วยเพื่อให้เห็นเป็นเรื่องสนุกสนานร่าเริงดารินได้แต่ยิ้มจืดจืด่อไม่กระปรี้กระเปื่าใดๆทั้งสิ้น เอามือข้างที่เท้าคางกัดเล็บมองดูชา ย, ยันจัดของง่วนอยู่คนเดียวในระหว่างที่อีกมุมนึงไม่ห่างออกไปนักนายอัมพลเชษฐาอนุชาและหนานอินกำลังหารือกันอย่างเคร่งเครียดเกี่ยวกับการวางแผนเดินทางชา ย, ยันเฉยเอ็มเจดเ้าขึ้นมากระบอกหนึ่งหักคอลงแล้วยกขึ้นส่องดูลำกล้องภายในพึมพำออกมาว่า นี่ให้ตายเถอะมีฉันเดาไม่ถูกเลยนะว่าถ้าตามพบกันในป่าอะไรมันจะเกิดขึ้นระหว่างเรากับอเมริกันพวกนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราหนักใจที่สุดโอกาสที่จะพูดกันรู้เรื่องและไม่รู้เรื่องมันมีอยู่ครึ่งต่อครึ่งเพราะฝ่ายเราเพราะฝ่ายเขาก็ถือว่าไปทํางานลับสุดยอดที่จะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไอ้ข้างเราหรือก็จะไปตามาตัวคนของเราคืนมา ทำความเข้าใจกันได้มันก็ดีไปแต่ถ้าไม่เข้าใจกันบอกตรงๆพอถล่มด้วยเอ็มเจ็ดเก้าเลยปั๊บพาดิชชยันฉันก็ไม่คิดว่าพวกฝรั่งนะ่ะเขาจะมีพิษมีภัยอะไรกับพวกเราหรอกนะคนเราจะเรือนด้วยกันแล้วแล้วอีกอย่างนึงพวกเขาจริงๆน่นก็มีกันแค่สี่คนเท่านั้นก็ใช่ไอ้4ี่คนนะ่ะมันแค่ที่ไปทางภาค พ, พื้นดิน ไอ้ที่จะส่งกำลังบำรุงแบบหน่วยคอมมานโดซึ่งจะมาทางอากาศนะ่ะเธอไม่คิดมั่งเรอพวกนั้นนะ่ะสามารถติดต่อกกองบัญชาการหรือสถานีควบคุมการเดินทางของเขาได้ตลอดเวลาจะเรียกกำลังมาเพิ่มเติมเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นสิ่งน่าคิดนะ่ะฉันกระเชษดถาถึงได้ตัดสินใจเอาอาวุธหนักไปด้วยเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าที่จะต้องมาเสียใจภายหลังนี่คือยุทธวิธีของนักสู้ที่ไม่ประมาท เราเสี่ยงตายไปตามระพินครั้งนี้ฉันว่าไม่ใช่เสี่ยงเพราะการที่จะต้องลำบากยากเย็นหรือเพศไทยในป่าหรอกแต่เสี่ยงกับการที่อาจจะต้องปะทะกับพวกนั้นใช่มากกว่ามันก็เหมือนเหมือนกับว่าเราไปแย่งตัวระพินคืนนะหรือไปรู้ความลับที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยของเขาหญิงสาวไม่แสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นนั่งเฉยอยู่เช่นเดิมสาหรับเครื่องมือสื่อสารติดต่อ ในกรณีที่แต่ละคนอาจจะต้องแยกหมู่หรือพลัดจากกันไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามในเมื่อรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าฝ่ายอเมริกันมีตระเตรียมไปพร้อมเชตฐานและฝ่ายชายันก็ไม่ยอมเสียเปรียบและมองเห็นประโยชน์ของมันอย่างยิ่งจากประสบการณ์ที่เคยเผชิญมาแล้วในยามหลงป่าพลัดกันดังนั้นวิทยุรับส่งแบบมือถือขนาดกระทัดรัดที่สุดเท่าที่จะสแสวงหาได้อย่างรีบด่วน จำนวนห้าเครื่องจึงถูกเตรียมไปด้วยเครื่องรับส่งกำหนดไว้เป็นพิเศษที่จะไม่ไปเข้าขายใดๆของใครทั้งสิ้นนอกจากใช้กันเองได้ในระหว่างห้าเครื่องที่กระเตรียมมาโดยเฉพาะกำลังเครื่องละหวะัดขนาดพอที่จะร้อยสายเข็มขัดติดเอวหรือใส่เป้หลังได้โดยไม่เกะ ก, กะเป็นภาระมีแบตเตอรี่แห้งอะไรเตรียมไปด้วย เพียงแต่ว่าเป็นวิทยุมือถือรับส่งธรรมดาซึ่งจะต้องกดคีย์ผลักเปลี่ยนกันพูดโต้อตอบเท่านั้นไม่พิเศษจนถึงขนาดที่จะใช้ได้แบบวิทยุโทรศัพท์สี่เครื่องจะแจกประจำติดตัวไว้ในแต่ละคนอีกหนึ่งเครื่องสำรองพิเศษไว้เพื่ออาจพิจารณามอบให้หัวหน้าลูกหาหรือบุคคลใดตามความเหมาะสมในการประสานงานได้อย่างสะดวกฉับพลัน ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินดารินหยิบขึ้นมาพิจารณาดูเครื่องหนึ่งและพิมพ์พันว่าในคราวที่ไปตามพี่กลางครั้งนั้นนะนะถ้าเรามีวิทยุติดต่อแบบนี้ไปด้วยก็จะสะดวกขึ้นอีกมากเรานึกไปไม่ถึงเลย ท, ทั้งที่จะหาก็คงหาได้สมัยนั้นนะฉันเห็นราพินกางแง่ทายต้องใช้รหัสติดต่อกันด้วยแสงสะท้อนจากดวงตะวันหรือไฟฉายกระพริบ ในระยะไกลโดยใช้รหัสมอสทุเร่จังแต่ก็ยังโชคดีที่ทั้งแง่ทรายรพินและเธอเองล้วนแล้วแต่ผ่านงานในด้านสื่อสารทางทหารมาแล้วทั้งนั้นไม่งั้นคงอยุ่งก็ถึงว่าสิบอกแล้วไงโง่ต้องมาก่อนฉลาดแล้วเราก็ฉลาดไหวทันขึ้นมาได้ในคราวนี้ก็เพราะคุณนำพลเป็นสปายบอกความลับใหเรารู้เรื่องหน้าว่าฝ่ายตรงข้ามที่มาฉกตัวรพินไปนะ่ะ ก็มีอุปกรณ์อะไรมั่งเราก็เลยไม่เสียเปรียบเพราะไปคราวนี้นะไม่ใช่นักเดินป่าธรรมดาเหมือนครั้งนั้นนะแต่ไปในลักษณะของทหารป่าหรือหน่วยคอมมานโดพร้อมที่จะจู่โจมได้ทุกขณะขอให้เธอรับรู้ไว้ล่วงหน้าด้วยแต่วิทยุของเราทั้งห้าเครื่องนี้ก็เหมือนกันเราติดตั้งแร่รับส่งแยกความถี่ของคลื่นเผื่อไว้อีกถึงสี่ช่องเพื่อหวังว่า เหมาะวิทยุที่พวกนั้นใช้อยู่เกิดฟลุกมาตรงกับขนาดความถี่คลื่นใดคลื่นหนึ่งที่เราทําดักไว้ก่อนก็จะสบายมากฉันหมายถึงวิทยุแบบมือถือด้วยกันไม่ได้หมายถึงวิทยุเครื่องใหญ่ที่พวกนั้นใช้ติดต่อกับหอควบคุมการเดินทางที่ฉันสันนิษฐานว่าเป็นสถานีลอยกลางอากาศหรือบนดาวเทียมหรอกเพราะคลื่นความถี่ของวิทยุแบบนั้นอะ มันคงจะเกินสมรรถภาพของวิทยุสังกบวยของเราที่เอามาด้วยได้รินทดลองเปิดสวิตต์กดทีเล่นอย่างไม่มีความหมายอะไรแล้วถามว่าวิทยุยังกับของเด็กเล่นที่เธออุตสาหเตรียมมาด้วยนี่เหรอรัศมีรับส่งมันไปได้ไกลสะแค่ไหนเนี่ยถ้าในพื้นที่ราบโลง่งอากาศดีๆมันก็ไกลเหมือนกันแห ล, ละเลาแวดท่าหกกิโลนะ่ะสบายมากระหว่างเครื่องต่อเครื่องนะ แต่ถ้าภูเขาบางมากอากาศไม่อำนวยหรือเข้าบริเวณที่อับคลื่นวิทยุมันก็จะหดระยะสั้นเข้ามาตามส่วนถึงยังไงมันก็ยังดีกว่าใช้การกูตะโกนเรียกหรือต้องเอาใบมีดส่องกระแสงตะวันส่งสัญญาณกันเหมือนสมัยที่ระพินเคยใช้กับแงีทรายตั้งทันเท่าเออแล้วเครื่องมือทางแพทย์ของเธอแน่ใจไหมว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็ทันสมัยที่สุด ในส่วนที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของฉันน่ะรับรองชัวร์หล่อนบอกมาเบาๆนี่น้อยฉันดูเธอไม่กระชับกระเฉงเลยนะโรยๆ ย, ยังไงพี่กุลนี่ไปนอนพักสักเถอไปรางนี้ฉันกับพวกเราจัดการเองกินยานอนหลับพริยาระงับประสาทซะเอาแรงไว้เดินทางพรุ่งนี้เราอาจจะออกสายหน่อยก็ได้นะชายันบอกด้วยความหวังดี ดารินยังไม่แยกยังไม่ขยับตัวเพียงแต่เอามือดึงคอเสื้อคลุมให้แนบชิดเข้ามาเพราะความหนาวเย็นของอากาตากลางดึกแล้วถามว่าเวลาเท่าไหร่แล้วนี่อดีตนายทหารปืนใหญ่สะบัดข้อมือขึ้นมาดูห้าทุ่มยี่ห้าฉันไม่ได้หลับเลยนะตั้งแต่เข้าไปในห้องเมื่อหัวค่ำนี่หลังอาหารเมื่อคืนที่แล้วก็เหมือนกันไม่ได้หลับเลยสักิด ดารินผู้เสียงแผ่วใช้นิ้วมือทั้งสองข้างกดแตะไว้ที่เปลือกตาชายันมองลงอย่างสงสารเข้ามาโอบไหล่กอดไว้สกดจิตสกดใจไว้ไม้างน้อยเชื่อฉันเข้าไปนอนชักฉันนอนไม่หลับเลยชายันหลับตาที่ไรฉันก็เห็นเขาในสภาพที่กําลังนอนเจ็บป่วยตัวสั่นเทาอยู่กลางป่าเพียงเดียวดายทุกครั้งไป เรื่องอื่นๆในฉันไม่ห่วงเขาหรอกห่วงตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นแหละใครจะดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเขาได้ลูกน้องสี่คนน่ะเหรออย่างดีก็แค่นั่งร้องวงทำตาปริบๆดูเจ้านายนอนครางฮือๆ อ, อย่างเดียวเท่านั้นแหละเชื่อเหน้าน้อยไม่เป็นไรหรอกถึงแม้จะเกิดอาการขึ้นมามีเหรอที่อเมริกันพวกนั้นจะดูดายเขา ในเมื่อหวังประโยชน์จากเขาอยู่เต็มที่ไอ้แม่มสองคนนั่นก็มีคนหนึ่งที่เป็นแพทย์ด้วยนี่แต่รพินก็ไม่ได้เป็นโคตรญาติอะไรกับแหม่มผมแดงหรือแหม่มผมทองน่ะนะเขาก็แค่ลูกจ้างนำทางธรรมดาเท่านั้นแหละพวกนั้นจะมีน้ำใจกับเขาได้สักแค่ไหนฉันรู้อาการของรพินเวลาจับสันขึ้นมานะ่ะเขาเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเธอพี่ใหญ่หรือพี่กลาง วิจใครๆก็ไม่เคยมีใครได้เห็นเขาในสภาพนั้นหรอกแต่ฉันน่ะเคยเห็นมาแล้วตั้งหลายครั้งเฮ้ยชัยันร้องออกมาดังๆจนกระทั่งเชษฐาอนุชานายอํมพลและคนอื่นๆที่กำลังจับกลุ่มกันอยู่อีกทางหนึ่งหันมามองเป็นตาเดียวอนุชาร้องถามมาว่าอะไรเหรอชัยันชัยยันขยับปาก แต่แล้วก็บวกมือกรบเกลือนเลี่ยงไปซะปลาเปลา่าไม่มีอะไรหรอกของมันยุ่งไปหมดไม่รู้จะจัดยังไงถูกแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็คงเข้าที่เข้าทางเองเหะปรึกษาหารือกันให้ดีก็แล้วกันสาหรับฝ่ายมักกุเทธผู้วางแผนทั้งหลายฉันก็น้อยจะเป็นฝ่ายสัมภาระเองพวกนั้นละความสนใจหันไปพูดกันในหมู่ตามเดิมชัยยันจึงเหลือตามองหน้าดาริน แล้วกระซิบเสียงต่ำๆรำพึงรำพันซะเหลือกเกินไม่ใช่เพราะคุณนะนี่ถ้าฉันเป็นผู้วิเศษพอที่จะไปแบกนายรพินของเธอมาให้ได้ละก็ฉันจะรีบเหาะไปแบกมาให้ทีเดียวนะชัยันถ้าเธอทำได้อย่างนั้นน่ะฉันมีสมบัติพัดสถานอะไรยอยู่บ้างจะยกให้จนหมดตัวเลยเห็นใจฉันและพี่ชายของเธอทั้งสองคน ก็ช่วยกันอย่างสุดฤทธิ์แล้วอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยใาททำอะไรได้มากไปกว่านี้อีกอะชยันอือเธอว่าป่านนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้อะระพินอยู่ที่ไหนได้อยู่ในภาวะอะไรอาจจะกำลังนอนเกาหแม่ผมแดงหรือแม่ผมทองอยู่ใต้ร่มไม้ใบา บ, าบางที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเธออีกก็ได้นะ ชัยันโผล่ออกมาเพราะชักรำคาญเต็มทีเขาจะนอนกอดใครในระหว่างสองคนนั่นไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าเขาอบอุ่นและปลอดภัยเท่านั้นนี่คือความรู้สึกจากใจจริงของฉันชัยันดารินพูดเบาก็จริงแต่แช่มช้าและชัดเจนที่สุดแล้วก็ลุกขึ้นยืนช้าๆเดินเปลี่ยตัวกลับเข้าไปในห้องเงียบๆ โดยไม่กล่าวคำใดกับใครอีกทั้งสิ้นเสียงชยันตะโกนตามหลังมาว่าอย่าลืมกินยานอนหลับนะน้อยไม่งั้นพรุ่งนี้ไม่มีแรงเดินด้วยจะบอกให้ราชสกุลสาวไม่แสดงอาการยินยนต่อเสียงนั้นไม่แม้แต่จะเหลียวกลับมาพอพลนธรณีประตูก็ปิดประตูซะ ตามองไปยังไรเฟิลคู่ชีพประจำมือในอดีต ท, ที่หล่อนยังวางทิ้งไว้บนเตียงเอื้อมมือไ ป, ปลูบคลาแผวเบาเนื้อเหล็กของมันที่สัมผัสกับมือของหล่อนเย็นเยียบดารินค่อยๆหยิบมันขึ้นมาแนบไว้กับ อ, อกแล้วเดินออกไปเปิดตู้ปลายเท้าของเตียงอีกครั้งตั้งใจจะเก็บมันไว้ที่เดิมก่อนจนกว่าจะพรุ่งนี้ ผันตาก็เหลือบลงไปยังพื้นตู้ด้านล่างเห็นกล่องกระสุนเก่าๆมีรอยเปิดแล้วกล่องหนึ่งวางเป็นที่สะดุดตาจึงก้มลงไปหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่ามันเป็นกล่องกระสุนขนาดจุด300 Weatherby Magnum ที่ใช้กระปืนของหล่อนนั่นเองเหลือกระสุนเสียบอยู่ในร่องกระดาษของกล่องประมาณ 7-8 นัดจึงหยิบขึ้นมานัดหนึ่ง โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สึกหรือเข้าใจว่ากำลังทำอะไรดอกในมือขึ้นช้าๆแล้วเปิดลูกเลื่อนขึ้นบรรจงสอดกระสุนนั้นเข้าไปในรังเพลิงปิดลูกเลื่อนเข้าที่ตบก้านลูกเลื่อนหลบเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าต่างของห้องมองฝาเงามืดของแมกไม้พงไพรที่แวดล้อมสถานที่ออกไปอย่างปราศจากจุดหมาย ลมป่ากลางดึกพัดเส้นผมหล่อนปลิวเป็นระลอกและกระทบผิวหน้าจนหนาวสะท้ า, านหล่อนจะยืนถือไรเฟิลมือมองอย่างไรจุดหมายออกไปนานซักเท่าใดไม่ทราบได้จากสุปราศาสตร์ก็เริ่มจะทำผิดหล่อนเห็นเงาตะคุ่มลักษณะประหลาดสันฐานเหมือนมนุษย์แต่สูงใหญ่ผิด ป, ปกติเคลื่อนไหวช้า ด้วยอาการเหมือนจะโบกมือเรียกมาทางหลอดตรงบริเวณลานดินเบื้องล่างที่ห่างไปประมาณ25สบห้าเมตรดารินฟ้ากใบไฉที่วางอยู่บนโต๊ะได้ใกล้ขึ้นมาส่องปลาออกไปก็ปรากฏว่ามันเป็นต้นไม้ตายซ่าที่ยืนแดงแห้งโกรนเหมือนเสาหลักซึ่งชาวบ้านปล่อยทิ้งไว้สำหรับให้ต้นฟักข้าวขึ้นพาดพัน พอดับไฟก็โยกอยู่ไปมาและกวักมือเรียกอยู่เช่นนั้นฉายไฟก็หายไปอีกสลับอยู่เช่นนั้นถึงสามสี่ครั้งบัดดนในโสหรือทางจิตสัมผัสก็ไม่ทราบได้ดารินแววเสียงกระสิบผู้กองกําลังตกอยู่ในห่วงไทยนายหญิงไทยเหมือนลักษณะที่นายหญิงเห็นอยู่ในขณะนี้แหละ วูบนั่นเองแผ่นท้ายไรเฟิลก็ขึ้นมาประทับไหลหลอนวาดปากกระบอกปืนไปยังเงาที่เห็นในความมืดแล้วเหนียวไกลทันทีเสียงตูมสนันวันไหวปานว่าหน้าผาทั้งแถบจะทลายลงคลื่นความกระเทือนของกัปนาศไรเฟิลกระทบกับลือหินในถ้ำแล้วสะท้อนเข้ามากล้องอยู่ในโสดของระพินไพรวัน เขาสะดุ้งพรวดขึ้นทั้งตัวทังงอกายขึ้นคริสติน่าที่นอนซบหลับอยู่กัะไหล่ก็ผวาหลุดออกมาจากอ้อมกอดกลิ่งตะแคงไปทางหนึ่งเข็มน้ำเกลือที่จิ้มติดอยู่กับแขนหลุดออกทันทีเพราะการดึงตายขึ้นอย่างพรวดพลาดของเขากลางวานของกระสุนระเบิดยังไม่ทันสิ้นไปก็แววเสียงตะโกนเออะโวยวายฟังไม่ได้สับของใครที่เฝ้ายามอยู่น่าทำ